เคยทำมาจักกับปวัตนาสูตรเราก็คงได้รู้ความหมายาหลังจากเราสาธยายมน์นเราก็มาฟังทำร่วมกั น, นเดี๋ยววันนี้ก็ได้นิมนต์พระอาจารย์ทรงสินได้แสดงธรรมอีกครั้งหนึ่งขออนิมนต์ครับขอโอกาสเพื่อนสกฤตธรรมิกตัวครูเจรินธรรม มีอย่างคุณมมชีนะ่าทำทุกท่านเอือมลงแล้วก็นั่งฟังกันมีส่วนหนึ่งอยู่บนโซล า, านั่งสวดมนต์กันทั้งพระทั้งโยมอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ถุนแล้วก็กำลังเดินยงกลมกันอยู่เมื่อกี้เดินมาก็สังเกตตั้งใจวฏบัดกันอยู่ เราทาวัดก็สวดมนต์ทำบิกฑบาบสูตรสูตรนี้เป็นสูตรแรกนะสูตรแรกที่องค์สมเด็จจำมาเจ้าได้มีความสำเร็จคำพูดทำให้เกิดอริยสงฆ์รูปแรกขึ้นมาเป็นอริยสงฆ์ชั้นต้นก็คือ ดาญญาโกธัญญาพระสง์รูปแรกก็อุบัติขึ้นมาในโลกทำให้มีพระรยตรบพระพุทธพระธรรมพระสงค์พระพุทธ ท, ทธาเกิดมาที่องค์สมเสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมอุบัติขึ้นมาแล้วมีสาวก ประสงค์อริยสงฆ์ครบองค์ที่ประเทศอินเดียถ้าใครไปสังเวีนในสี่บทนี้ก็เราก็จะสวดกันที่ปายสิบปัฒนามรุกไทยวันเราทำเมกัสถูปรา ล, ลึกถึงวันที่องสมเด็จสมมาจะได้มีความสาเร็จก่อนที่จะมีความสาเร็จนี่ก็ไม่ใช่ง่าย เดินตามปัญจวคขีเพราะปัญจวกขีไม่เชื่อว่าเจ้าชายศรีธะได้มีการบรุลุรรมก็หนีกั น, กนพอเห็นองค์สมเด็จสัมมาเจา้าลุกขึ้นหนีเดินหนีมีเสียงพูดด้วยว่าสวปน่ามากๆ ม, ม, มาแล้วไปพวกเราไป เเดินหนีไปเป็นกิโลสองกิโลนั่นละ่ะจากจุดสถูปไปถึงําแม่กะสถูปพระเจ้าก็บอกว่าเรารู้ธรรมและ้วบรรลุธรรมและ้วพวกเธอเคยได้ยินคำนี้จากปากของเราไหมพระยากดานย์ก็เลยหยุดแล้วแบบพวกเราลองนั่งลงฟังกัน เพราะาเราเคยทำนายเอาไว้ว่าเด็กชายศิธาธาโลกสิธาทธาต่อไปจะได้เป็นศาสดาเอกของโลกไม่ได้ทำนายเป็นสองอย่างสามอย่างฟันธงคนนีแหละคือศาสดาเอกของโลกจะมีการบรรลุธรรมงินมาก็เฝ้าแต่เดินติดตามเจ้ชายสิทําทำอะไรก็คอยประสิทธิศาส์วิชา อย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นเป็นครูบาอาจารย์ตอนหลังก็เลยนะติดตามแล้วก็ยังฟังใจกับคำดั่งในของตัวเองอยูอย่ฟังขณะฟังก็ตั้งใจจนเกิดการมารู้ธรรมขึ้นมาในขั้นต้นประยะขั้นต้นก็ก็มีการปั้นรูปปั้นปัญจวัคคีย์ปัญญโกรัญญาเนี่ ลับตาตัวตรงแล้วก็ยิ้มน้อยๆตั้งใจฟังส่วนพระอ า, าชชีที่บรรลุธรรมคนสุดท้ายตามองไปยอดไม้นะ่ก็ปั้นนะไม่ได้ตั้งใจฟังใจลอยแล้วก็สังเกตเออคนปั้นก็อาจรยยาเหมือนกันพยายามสื่อบอกก็เคยไปมาจุดนี้ ก็เห็นลองรอยวอ่าเออถ้ามันมีจริงๆ ร, าาริงธรรมจักข้าสูตรมันก็จะต้องเห็นในการปฏิธรรมของเราด้วยเราปฏิธรรมเราต้องเห็นธรรมาจักเน่ยมันหมุนอยู่ภายในจิตใจของเราจักก็คือวงล้อนะวงล้อมก็หมุนกลิ้งจากที่ต่ำไปยังที่สูงก็ อสัจจรปกติมันไหลาจากที่สูงลงมาที่ต่ํานี่จากปุถุชนเป็นอริยชนมันไหลาจากที่ต่ำไปหาที่สูงจากทุกไปสู่ความพ้นทุกจะเป็นหนทางอันเสริฐที่งทวนกระแสทิฏฐิมันเคยเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นปุถุชนมันก็ทวนกระแสไปเป็นอริยชน เป็นหนทางอันประเสริฐจทั้งสามารถชี้แล้วก็ทำตามมันก็เกิดผลได้เหมือนกันทุกคนในโลกนี้วันนี้ของเราธรรมจักมันจะเกิดขึ้นมาเพราะเรากำลังฝึกสติกันอยู่สัมมาสติสัมมาสมาธิ มันเกิดอยู่ขณะ น, นี้ตั้งใจรู้สึกตัวตั้งใจฟังเสียงมากระทบทางหูรูปมากระทบทางตากายกระทบสัมผัสกับพื้นกับหนาวกับร้อนจมูกกระทบกับกลิ่นลิ้นกระทบกับรสกายสัมผัสสมองจิตใจของเราคิดนึกปรุงแต่ง มันก็เห็นของคู่ตากระทบรูปเนี่ยของคู่หูกระทบเสียงของคู่นี่คือธรรมะภายในใจของเรามีธรรมะที่มันมีอยู่แล้วแต่เราก็เจริญให้มันคลองตัวว่องไวเป็นไหวพิจิตริพานคือสติคือปัญญาฉลาดเฉลีว่ว รู้ตัวเองนั่งเดินยือนนอนเมื่อก่อนมันเคยฉลาดรู้ไปนอกตัวรู้การของรูปธรรมนามธรรมรูปธรรมร่างกายของเราหัวจรวดเท้ามีธาตุสี่ธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดินธาตุลมธาตุสี่จิตใจของเรามีธาตุรู้แล้วก็ธาตุว่างธาหลง ก็หลงโกรธหลงโรคหลงหลงไม่ว่างแต่เมื่อไรมีสติมันก็ว่างจากความหมายแห่งการตีความความหมายความเป็นตัวตนเกิดสภาวะที่ได้ ว, วันนี้โรดขึ้นมามีมัมกมีพลมีมกักมีพลนนิโรดนนิโรดมีวิมุตตมีการหลุดพ้นมีการสลัดคืน มีการสลัดทิ้งมีการปล่อยวางตัวนี้มันเริ่มต้นเลยแค่รู้สึกตัว ม, มีการสลัดทิ้งทันทีเช่นตอนนี้อยู่ที่วัดมันก็ทิ้งที่บ้านมาแล้วขณะที่เคลื่อนมือรู้สึกตัวมันก็ทิ้งความคิดอดีตอนาคตทิ้งวิพาวิจารณ์หรือแค่แต่รู้สึกไม่ได้ใช้สมองเลยมน่วยความจำของเรา ถ้าจะจำก็เกิดสัญญาใหม่ขึ้นไหเป็นสัญญาเป็นนิสัยที่จะมารู้สึกตัวอันนี้คือเราสร้างสัญญาใหม่ความจำใหม่ก็จะเหว่าสัญญาไม่สัญญาไม่เที่ยงสัญญาเป็นทุกสัญญาไม่ใช่ตัวตนเนี่ยหมายถึงว่าความจำได้ใหม่รู้ไปในจิตใจของเราทางด้านกฎหมายก็เขียนสัญญาไว้นะ กูเท่านี้เงินต้นจะต้องเสียดอกเท่านี้ดอกเบี้ยวันนี้ยืมแต่ภายในหนึ่งเดือนน้องอามคืนสัญญาสัญญากันนะเราจะรักกันจะนั่งถือไม่เท่ายอดทองกระบอกยอดเพชรจนตายจากไปข้างหนึ่งถ้าท้ายสุดก็ลงละเมิดสัญญากันฉีกสัญญาทิง้ง มันก็เลยกลายเป็นเรื่องของโลเลเรื่องของความไม่มั่นคงเรื่องของอนาคตซึ่งมันไม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างที่เราตกลงกันในท้ายสุดสัญญาใหม่ของเราที่เรามาปฏิบัติธรทำคือสัญญาที่เราจะกลับมารู้เนื้อรู้ตัว เบื้องต้นกันเี่ยวาทิวันนี้ปล่อยให้ปฏิบัติกันเนี่ยเนื่องจากเราจะไ้อยู่กับตัวเองเต็มที่จะได้มีความบากบัน่นมีความภาคเพียรมีความมานะมานะจริงๆไม่ดีนะแต่เป็นมานะที่เป็นทำให้เราะ เ, เดินทางเดินทางสู่ความพ้นทุกข์มานะละมานะได้ เราก็ถึงต้องมามีประสบการณ์ตรงบทสวดในหนังสือแต่ว่ามันมีประสบการณ์ตรงอยู่ในจิตใจของเราในชีวิตของเราอยู่ในตัวเราตัวกายตัวใจของเราจนรู้จักว่ากอนธรรมะหรือว่ารูปธรรม <c oughs> มันเป็นยังไงในรู้จักมันแล้วไม่ใช่แค่ตัวเราอย่างเดียวมันโยงไปหาโลกใบนี้ ตัวเรามีน้ำอยู่สามส่วนขออภัยมีอยู่สองในสามส่วนตัวเราหมายถึงในร้อยเปอร์เซ็นต์มันมีอยู่ 70-75% ถึงอนอันนี้เป็นการแพทย์ที่เขาพิสูจน์แล้วแล้วก็โรคใบนี้เหมือนกันโรค ก, กลมๆ ก, ก็มีน้ำอยู่ 2ใน3อีกเหมือนกันถ้าแบ่งเป็น3 ส, ส่วนก็มีน้ำั้นสส่วนแผ่นดิน น, นั้น1ส่วนอย่างนีน้มันก็คือรูปธรรมที่เชื่อมโยงกันเดิมทีชีวิตเรามันก็ไม่ได้มีอะไรมันปฏิสนธิจากทองแม่มีไข่ที่เรียกว่าโอบุมไม่ใช่เอถ้าเอคือไข่ที่มีเปลือกก็เป็นที่รู้กันโอบุมก็คือไข่ที่ไม่มีเปลือก กําลังไข่ของผูญญ้หญิงนะบอกก่อาสุจิอะก็คือไม่สุจิก็คือสวยสิ่งที่ไม่สวยก็คือน้ำเมือกน้ำหมักของบูตรเนา่าเสร็จแล้วมันก็มีตัวสเปิร์มอย่างน้อยไปไม่น้อยกว่า2อ0ล้0นห้นตัวก็เป็นตัวชีวิตเสร็จแล้วก็ปฏิสนธิ จะนั่งธาตุน้ําธาตุไฟธาตุดินธาตุลมน้ํานมแม่กล้วยน้าว้าหัวปลีค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาจะนั่งเป็นเรานั่งอยู่หน้าบัตนี้มันก็เป็นตัวชีวิตที่เกิดจากพลังชีวิตในโลกใบนี้น้ําสู่น้ําดินสู่ดินลมสู่ลมไฟสู่ไฟอีกไม่นานนักเราก็คืนก็แล้ว ก็จึงไม่ประมาทสนุกจนลืมเนื้อลืมตัวหรือว่ามีความสุขจนลืมเนื้อลืมตัวแต่ก็ไม่ใช่หมายถึงว่าสุขไม่ได้สนุกไม่ได้แต่หมายถึงว่าต้องมีด้วยปัญญาสั่งหรือว่ามีประสบการณ์ตรงของใครของเราเป็นบทเรียน ป, นประสบการณ์สอนตน ที่พูดอย่างนี้ก็หมายถึงว่าจะเรียนผิดก็เรียนไปจะเรียนถูกก็เรียนไปแต่เลือกเป็นที่พูดอย่างนี้ชีวิตมันมีถูกมีผิดแต่ท้ายสุดมันก็มีทางสายกลางทางสายกลางก็หมายถึงมากถึงผลนั่นแหละผลทางการเกษตรร่างกายก็เราก็จึงพอจะอยู่ได้ในโลกใบนี้แต่เจ็บไข้ไม่สบาย เวลาประชุมไม่พร้อมกันธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดินธาตุลมมันไม่พร้อมมันพร่องมันก็ป่วยมันก็มียายอยักสาราอ่านว่ายาไปหาหมอโรงพยาบาลสาสุขฉีดดมอมทาผ่าตัดเมื่อหมอก็ไม่ใช่แล้วก็ฉีดยาให้เอายาให้ดมเอายาให้อม หรือว่าเอามาทามาฉีดใส่อะไรก็ว่ากันไปหรือถึงขั้นผ่าตัดฉีดทดมอมทาผ่าตัดเราก็หายตามการวิจัยของหมอที่ตั้งโจทย์ฐานไว้อย่างถูกต้องหรือบางทีรักษาหายแต่ความตายในรักษาไม่ได้กาพูดคำนี้นเป็นของหลวงพุเทเดียน ชีวิตของเราป่วยรักษาหายนะว่าความตายรักษาไม่ได้หลวเตียนเป็นมะเร็งตายสุดจะตายด้วยโรควาเร็งรักษาไม่หายหลวงพ่อมเกอลียนเหมือนกั น, กนตายด้วยโรควาเร็งอาจารย์กำพลก็เหมือนกัน ก, นกน็ตายด้วยโรควาเร็งองค์สมเด็จสมมาเจ่าก็ตายหรือดับขันพรินิพพานด้วยโรคอาหารเป็นพิษเนี่ยไปฉันสุ ก, กรมันทวะก็ คือเหตุชนิดหนึ่งมันก็เกิดการเป็นพิษขึ้นมาในช่องท้องก็ทํานายตัวเองไว้สามเดือนจะต้องตายตายอย่างที่เราทานายตัวเองไว้อย่างนี้เป็นต้นคราวนี้เรื่องจิตใจเราก็ใช้ปัญญาก็เป็นยาเหมือนกันจะเป็นยายอหญิงยอหญิงสราราเรียกว่ายาใช้ปัญญาเวลาไม่สบายใจมันคิด ฟุ้งซ่านวิตกกังวลคิดแล้วเครียดคิดแล้วมันรู้สึกชีวิตไม่มีความสุขกินไม่ได้นอนไม่หลับหลายคนก็ไปหาหมอดูในประเทศไทยหลายคนไปหาหมอดูอา้าวก็ไปเรียวกันอีกหลายคนก็ไปหาจิตแพทย์ใช้ทางแพทย์ตะวันตก จิตตวิยามาแก้ด้วยเหตุด้วยผลแต่ของเราอยู่ที่นี่เมื่อมีปัญหาด้า น, นจิตใจเราก็ใช้จิตตภาวนาไม่ใชจิตตวิยาจิตตภาวนาฝึกความารู้สึกตัวมันเป็นจิตตภาวนาทางตะวันออกเป็นาศาสตร์ทางตะวันออกก็คือชมพูทวีปประเทศอินเดียของเรานั่งกังฟูแบบวั น, นสีช่ชั่วโมง มันก็มีวิชาแบบนี้อยู่ครั้นี้มันเดินทางมาถึงประเทศไทยของเราโดยพระโสณะพระอุตระพร้อมคณะเก้าลูกเดินทางมาครั้งแรกก็บอกมากคลื่นทางนครศรีธรรมราชครั้งแรกสุดครั้งที่สองก็บอกมาแถวนะทางตอนใต้ ของอะไรเลยทะเลอะไรแล้วอ่าวไท ย, ยก็คือช่วงของแถวสมบัติาการขึ้นมานครปฐ ม, มนครปฐมอะทีนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์นะ่นผ่านมานานเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ว่ากันอย่างนั้น ก็มีร่องรอยอยู่ทีนี้มาถึงวันนี้มันก็ยังมีกลิ่นไอนของธรรมจักรที่มันเข็นมาถึงเราวัดป่าสุก โ, โตเนี่ยพูดกันถึงเรื่องการเจริญสติปัฏฐานพูดถึงเรื่องอริยสัจ ส, สี่ทุกข์สมไทยนี่รถมรคนี่ทุกข์เราก็ต้องกําหนดรู้รู้กายรู้ใจทุกข์เวลาเคลื่อนไหวหลงเข้าไปเป็นทุกข์ สาเหตุก็คือไม่รู้สึกตัวนะเหตุแห่งทุกข์ก็คือมันคิดเยอะมันไม่รู้สึกที่ตัวเนื้อตัวหนังของเรารู้สึกที่กายตัวหลวงจตุต ถ, ถาก็หลงก็ไปในความคิดวิธีการลงวัตถิยมง่ายตรงนีน <c oughs> เริ่มต้นมันก็ไม่ไหลก็ไในความคิดใครรู้สึกปั๊บมันก็ไม่ทุกข์ปับ๊บแต่บางทีมันน้อยอยากให้ได้ดังใจ ความทุขตัวมันเข้มเลยเลยมันไม่ได้หรอกเราทุกข์มาทั้งชีวิตอยู่ๆวันเดียว2วันมันหายมันเป็นไปไม่ได้นอกจากที่ผ่านมาเราใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติอยู่ตลอดนั่งเดินเย็นนอนอยู่ในศีลอยู่ในธรรมใช้ชีวิตอยู่ในศีลอยู่ในธรรมบางทีวันสองวันมันก็พลิกเหมือนกันมีหลายคนที่ปฏิบัติวันสองวันแล้วเกิดอาการพลิกขึ้นมาภายในจิตใจ มีแม่ชีบางคนนะมาที่วัดป่าสุโตปปิบัติทั้งวันพอนอนเช้าตื่นมาจิตเปลี่ยนเลยจิตใจเปลี่ยนนคนละคนเอ๊ะทำไมมันโล่งโปร่งมันไม่เหมือนเมื่อวานจิตใจรู้สึกผ่องใสแจ่มใสใชสดชื่นเป็นคนคนใหม่ไปเลยเคยเป็นไมโยมอาการแบบนี้ผมนักธรรมมาเคยเป็นเคยเป็น คราวครั้งหนึ่งพระหายหอยเหรียญหลวงปู่แหวนอยู่ที่คอเนี่ยจแล้วมันเป็นของลักของห่วงเป็นวัตถุมงคลที่เรารู้สึกว่าเรามีสมบัติอยู่ชิน้นนชิ้นเดียวให้ค่าไปไหนก็อบอุ่นรู้สึกปลอดภัยครานี้ไปแบกฟืนมันมีต้นยางพารากิ่งมันแห้งทํมาหลงมันกิ่งมันหล่นลงมามจะเป็นปลวก เวลาแบกแล้วก็จะมีดินมีอะไรติดไหลก็ขึ้นไปถีบก้หมดแลถีบไปมันล่วงลงมาเอาปรมาณเสร็จแล้วปรมัดเสร็จก็แบกกลับบ้านมันก็ไปบาดส้อยเชือกะนะเชือกขาดไปถึงบ้า น, นหายหายจนเย็นจนใจมันเศร้าน้ำตามไหลซึมๆมันเสียดายจนเย็นนอนน้ำตาไหลซึมๆเลย พอนอนเสร็จตื่นเช้ามาเอ๊ะมันเหมือนกับฝันไปนะพระหายนะเอ๊ะใจเราก็ไม่ได้เสียอกเสียใจเสียใดยเศร้าเสร็จแล้วเออแปลกดีเมื่อก่อนน่ะมีความรู้สึกมันเปลี่ยนแต่ว่ามันไม่เหมือนกับว่าเราเข้าใจว่ามันมันเกิดขึ้นได้ยังไงพอเรามาปฏิบัติโอ้มันตัดมันออกจากความคิดมันได้พัก ใจมเป็นสมาธิมันนอนมันไม่ได้เข้าไปในความคิดความคิดก็พักนะเด็กๆบริสุทธินะ์แต่ตอนโตเนยไม่พั ก, ก น, นะตอนโตนนฝันมีเรื่องมีราวก่อนหลับก่อนนอนนะพอนอนไปนอนไปกับความคิดขึ้นๆก็เลยฝันต่อไปอีกบางทีฝันสองคืนต่อกันได้ด้วยเรื่องเดิมมาโยมเคยไหม <c oughs> คืนนี้ฝันแล้วก็ตื่นมาก่อนแล้วโอ้มันฝันอะไรกับมันพอวันลงขึ้นเอ้านอนฝันต่อเรื่องเดิมอีกที่ฝันส่วนใหญ่มันจะฝันอย่างนี้นะโยมที่ฝันไม่เสร็จเ้วฝันต่อคือฝันว่าสร้างบ้านไม่เสร็จตลอดเลยฝันว่าสร้างบ้านไม่เสร็จทำข้อสอบไม่ได้นะฝันเป็นประจำไม่รู้มยังไงกับมันตอนโตนะอืมนั่นแหละมันก็เลยเป็นเรื่องที่ เกิดได้กับทุกคนเราก็จึงได้ออกว่าจากความคิดกันทุกครั้งที่สัมผัสรู้สึกตัวเนี่ยเบื้องต้นเลยนะอันนี้สองของมันการเจริญสติต่อมาก็คือจะได้เห็นความจริงหรือจิตใจเราเนะี่ยความจริงจะแสดงออกมามีมากมายเหลือเกินจ ะ, จะทำความจริงทำ ท, ทำที่เป็นกุศลทมที่เป็นกุศล ทำที่เป็นเหนืออกุศลเหนืออกุศลเนี่ยมันก็แสดงออกมาชีวิตก็รู้สึกเบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นหลังจากที่รู้จากอารมณ์เช่นเบื้องต้นนะ่พอรู้ว่าอา้าวที่ผ่านมานเรามัวแต่เอาจิตใจของเราไปสนใจแต่เรื่องทำงานทำการเรื่องการแข่งขัน เรื่องการทำยังไงให้ชีวิตของเราหรือชีวิตของครอบครัวคนรอบข้างนะมีความสุขสังคมเ็าว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนว้นเราก็จะต้องติดตามเข้าถึงมีไอ้นั่นที่นี่เราจะต้องไปเข้าถึงเขาว่าไอ้นั่นที่นี่หมายถึงของ 88, แปลกๆปใหม่ๆที่สังคมเขาชี้ น, นำสร้างกระแสยั่วยุเชิญชว น, นให้เราได้ไปเสียเงินเสียทองลดกระนำเป็นตน้น เอแดแร์โมีขายอยู่ที่นียห้างเนี้ยราคาถูกมีตำหนิเล็กน้อยไปแล้วบ่งทีก็ไปสาหกาิจยารนะปันเนี่ยต้องขับรถไปแล้วไปก่อนเขาตีเช้าๆช้ตีสาตี 4, จอดรถคอยก่อนจะได้คิวแรก เ, เคยไม่ยมเคยทำาพิการแบบนี้ัหยก็บอกมีประบึกตอนนี้ฝนตกใหม่เชียงของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐลง ปลาหมึกออกแล้วไปชิมเนื้อปลาเบิกกันขับรถไปตลอดวันศุกร์เคยไหมเคยมีกรรมอย่างนี้ไหมอาโคมไฟจี้กงมาแล้วที่เซนทันบางนาขับรถมารถติดยาวเป็นกิโลเลยสวนสยามไปละไปดูกันของแปลกหูแปลกตาอามีแล้วสุริยวป ร, ราคาทองฟ้าจำลอง ไปมีลูกพาลูกไปเข้าคิวดูกันไปดูทองฟ้าจาลองนี่เมื่อวานได้ยินจากอาจารย์สนใจคืนนี้จะมีพระจันทร์เลือดนิยมไปนอนปลาช้ากันไหมดูพระจันทร์เลือดกันโลงดีตรงนั้นนะึกไม่กระกางสะพานนะมาบวชใหม่ๆ ม, มีอะไรดูทีกไปนอนดูฝนดาวตกดาวคนคู่ช่วงเดือนพีกาธันวาเราพอเห็นไนดะ้ ทางทิศตะวันออกยังมีฝนดาวตกเยอะเลยเคยนับคืนได้เป็นสองสามไร่ดวงเลนะฝ น, นดาวตกมันไม่มีอะไรจะดูก็ใส่ดูกายดูใจดูธรรมชาติรอบตัวไปบางทีคืนเนี่ยเดินฝนตกแหม่จากสาาไก่ขึ้นไปกุฏิสิบสามชอบอยู่ไกลๆชอบอยู่ในป่าสองข้างทางอะโยมมันเรืองแสงเนี่ยเืองมันมีฟอสฟอรัส ในดินเวลาต้นไม้มันล้มลงแล้วมันผุมันมีฟอสฟอรัสใบไม้ทับถมกันนานๆ น, นะแล้วก็เวลามีแมลงไปกินนะ่ยตัวของมันจะจะเลืองแสงเห็ดก็เหมือนกันเห็ดก็จะเลืองแสงก็เห็นไม่ยอมก็เห็นไห ม, เ, หนไหมเนี่ยป่าเนี่ยเป็นป่าสจัชจันท์มากเราก็เพลิดเพลินเนี่ยกลางคืนข้นาดูบางทีเดินกับกุดเอ๊ะแปลกอะ มันเรืองปิดไฟมันก็เห็นทางด้วยมาทําวัดอย่าง น, นโอ้ปิดไฟเห็นทางบางทีมันเจอดวงตาคู่กันแสงเลืองใหญ่ยมพระวิ่งได้อย่างยมผีหลอกมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเผชิญหน้านะมันเดินใส่มันไปดูว่าคืออะไรมันก็เดินไปใกล้ใเดินไปใกล้ใเดินไปใกล้ใ มันอยากรู้ใจมันขนาดนั้นเลย น, นะมันพร้อมเผชนะิญพอดูมันแค่สัตว์2ตัวหากินคล้ายๆกันแล้วก็เรืองแสงแสงใหญ่มันจะมีตัวคล้ายๆกับตัวกิ้งบอนนะรู้จักไหมตัวกิ้งบอนเวลามันหดเหมือนกับลูกบอลกลมๆมันก็เรียกว่ากระสุนเทวดาสัตว์คล้ายๆอย่างเนี้มันเรืองแสงทั้งตัวเลยตัวนี้มันก็เห็นธรรมชาติภายในของใจเรา ทางชาติภายนอกแล้วก็ใจเราก็ไม่ทุกข์ใจเราก็ไม่ตื่นตระหนกเราก็ได้เห็นมันไม่เหมือนกับตอนที่เราอยู่กับทางโลกกระตุ้นเศรษฐกิจแต่มาที่วัดป่าสุกโตมันจะเจอสิ่งที่กระตุ้นความคิดของเราปรุงแต่งบางทีก็ปรุงแต่งให้เราได้ตื่นตะหนกตกใจเราก็รู้แล้ว ถ้ามันตกใจมากๆกลับมารู้สึกตัวแป๊บเดียวเนี่ยสัญญาณชีพของเราก็คืนมาใหม่เช่นลมหายใจปกติอุณหภูมิปกติเราก็สัมผัสได้จิตใจของเรากลับมาปุ๊บปกติเลยโยมไวมากเออทุกข์ในใจเราเนี่ยมันแก้ง่ายนิดเดียวการสลัดทิ้งการสลัดคืน การปล่อยการวางง่ายนิดเดียววางความคิดที่ออกมารู้สึกตัววางอารมณ์ก็ออกมารู้สึกตั ว, ว, ออตวที่เราฝึกกันนะแต่ที่สำันก็คือจากรูปแบบโย่ไปหานอกรูปแบบตรงนี้มันจะเกิดความเป็นอัตโนมัติขึ้นมากลายเป็นตัวรู้ตัวตื่นมันมีอยู่หล่อเลี้ยงอยู่เนี่ยเราก็ฝึกให้ได้นิสัยแบบนี้นินสัยให้กลับมาบ่อยๆกลับมาบ่อยๆ ไม่ต้อปคิดเรื่องเราที่ผ่านมาทั้งหมดอดีตยังไงก็ไปแก้ไขแล้วไม่ได้หรอกว่าไหมจะกลับมดท้องแม่ไปเกิดใหม่เอาไหมจะแก้ไขได้ไหมทิ้งกันคือเดี๋ยวนี้การเกิดในจิตของเราเกิดแล้วงดงามเกิดเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องพูดถึงขนาดจิตที่แล้วนาทีที่แล้วชั่วโมงที่แล้วพูดถึงขนาดนี้ชีวิตเราก็เป็นชีวิตที่มันเข้าถึงภาวะ ความเป็นปกติจะเรียกอะไรก็ได้เรียกพุท ธ, ธะก็ได้เรียกมรรคเรียกผลก็ได้มันอยู่ที่ความรู้สึกตัวเพราะในความรู้สึกตัวมันเป็นยานนั่งยาณอย่างรู้นะรู้สึกตัวแล้วมันก็ขนส่งด้วยเป็นยานขนส่งมันยาณพาณนะิชเหมือนรถรารถบรรทุกขนส่งจากที่หนึง่งไปอีกที่หนึง่งอย่างเมื่อวานมีรถบรรทุกกระเบื้อง มาบนหลังเขาแล้วก็รถตายเบื่องห้องน้ำที่วัดป่าส่ตัวรถไปตายกลางทางอันนั้นเป็นยานพาหนะชนิดหนึ่งขนส่งวัตถุรูปธรรมแต่ยานวิปัสนาญาณมันขนส่งนา ม, มาทมคือจิตใจของเราให้พ้นทุกขนะ์วิปัสนาญาณเป็นยานอย่างรู้ยานขนส่งหนูนะจากกรอดมาปกติ จากทุกใจทั้งหลายทั้งปวงครอบจักรวาลน่นนะมาที่ปกติมันก็เลยได้เห็นนะได้เห็นอาชีวะเปลี่ยนตรงนี้นี่เองก็ฝึกเอาตรงนี้ฝึกหนึ่งนาทีสอนาทีสานาทีหนึชั่วโมง2ชั่วโมง3ามชั่วโมงหนึ่ว ง, ว, งวัน2วันสามวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งปีอะไรก็ว่ากันไปบางทีถ้เกิดผลมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนเมื่อกี้ที่เราสวดท้ายสุดก็บอกว่า อัญญาสีวัฏโกพันธัญโยอัญญาสีวัฏโกพันโพธัญโยนะ <c oughs> ก็คืออัญญาโกธัญญะรู้แล้วหนออัญญาเนี่ยหมายถึงอาจารย์ไนงะอัญญาอัญญาหมายถึงอาจารย์โกธัญญารู้แล้วเนอคือพระเจา้าวิโยกให้อัญญาครัญญาเป็นอาจารย์สอนปรัชญาศาสตร์วิชาทางโลกไนงะอาจารย์โกทัญญะรู้แล้วอาจารย์ โกตัญญารู้แล้วเราก็รู้ได้อย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าเราจะต้องเป็นอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์ที่เราสอนตัวเราเองเพราะว่าคนอื่นสอนเราไม่ได้หรอกชีวิตของเราเราจะต้องเอาตัวเราเองนะสอนตัวเราเองเคยทุกข์เราก็เปลี่ยนสอนตัวเองมาไม่ต้องทุกข์ก็ได้มันแก่มันเจ็บมันตายอเงี้ยเราก็สอนตัวเองเอาไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายก็ได้ตุณณ น, นะ พูดมาแป๊บๆครบแล้ว30นาทีโยมการทำงานเช้านี้ยุติก็ตกลงดีนี่ก็ตกลงไว้อย่าพูดเกิน30นาทีถ้าเกินนี้ก็เรียกว่ า, า น, น้ำลายก <c oughs> ็กำตดกันไหม30สนาทีพอดีพูดดีขนาดไหนพูดมากไปมันก็ไปเดี้ยมปวดเมื่อยเดี๋ยวเราเข้าสู่ตัวปฏิบัติกันต่อไปเดี๋ยวเย็นนี้ฟังอาจารย์ไปสารประมาณสัก4ี่หโมงนวันนี้พระอาจจะลงโบสถ์กันสี่มงเย็นนะ เดี๋ยวฟังไอ้ทีมกี่โมงก็ไม่แน่ใจสลาหน้าจะส่งข่าวมาเรลพระก็จะต้องไปไประชุมกันญาติโยมก็ปฏิบัติตามปกติของโยม